เราควรจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยการยกย่องคนดีแทนการยกย่องคนมีเงินมีอำนาจแต่ไม่ดีกันแล้วหรือยังเลิกกราบไหว้เลิกคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลไม่หวั่นต่ออันตรายสังคมควรจะพร้อมใจกันลงโทษคนจําพวกนี้ และยกย่องส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานเราต่อไปพะนาท่านพลเอกเปรมติลสุลานนท์ค่ะวันนี้เปิดรายการน้อมนำ ทำกล่าว ง, งามๆแล้วก็ดีๆของพระนทธ่านผลเอกเปรมขึ้นมาเป็นข้อคิดข้อธํามนำชีวิตกับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราอะนะคะด้วยว่าบาังเอิญได้ไปพบเจอข้อความนี้ในลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะคุณหมออ่านแล้วก็แผ่แบบโดนใจเหลือเกินจนอดไว้ไม่ได้ที่จะรู้อยู่คนเดียวก็เลยเอามาแบ่งปันกับเพื่อนของเรานะคะคุณหมอฟังแล้วไม่ทราบว่า รู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ปัญหาคือบบตัวปฏิบัตินะฮ ะ, ะพูดเนี่ยพูดง่ายพูดได้แต่ทํายังไงที่จะทําไปสู่ตัวปฏิบัติเพราะว่าผู้คนถ้าหากยางเรียก ว, ว่ายัางมีอคติเพราะกลัวอยู่เนี่ยก็คงอดไม่ได้นะครับที่จะไม่เลิกคบทั้งๆที่รู้ว่าเขาก็เป็นคนไม่ดีน ะ, ะแต่ว่าบางทีก็เลิกคบไม่ได้นะด้วยความกลัว ให้ความรักตวกัวกลัวตนรืวกลัวตายกลัวตนสารพัดอย่างหรือว่าแม้แต่ว่าตัวเองได้ประโยชน์จากการคบหาสมาคมกับผูคคลเหล่านี้นะครับอันนี้แย่หน่อยเนาะก็ต้องช่วยกันนะครับค่ะก็อยากจะขอถือโอกาสนี้อันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของพี่น้องชาวไทยเรานะคะที่เราเฉลมิมฉลองในวาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีได้มีการเฉลิมฉลองด้วยวิธีการต่างๆมากมายนะค ะ, คะอยากจะให้พวกเราช่วยกันสืบสารสืบเนื่องเรื่องราวต่างๆในขณะนี้ให้ยืนยาวต่อไปนะคะ่ะอยากจะขอขณะที่ว่าให้พวกเราช่วยโหนกระแสรักในหลวงเนี่ยให้ยืนยาวแค่เพียงช่วอายขไยของพวกเรานี่ก็ถือว่า ยอดเยี่ยมยิ่งแล้วอ่ะนะคะครับเพราะว่าอใครโชคดีตายช้าหน่อยก็ได้ผลกระแสนานหน่อยใครโชคร้ายตายเร็วหน่อยก็ยังถือว่าได้ผลกระแสได้ทําอะไรดีๆถวายแด่ในหลวงของเราอ่ะนะคะคตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปที่ไหนก็มีแต่คนยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็เบิก บ, บานด้วยเสื้อสีเหลืองด้วยอะไรต่ออะไรที่เป็นสีเหลืองซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของข้างนอกนะคะ ค, ค, ะคุณหมองค่ะตึกเนี่ยเขาก็ให้ประดับธงทิวสีเหลืองใช่ไหมคะ เสื้อผ้าเขาก็ให้ใส่สีเหลืองกันจนไปถึงสิ้นปีกระังคะก็่กระมังจะชวนไงคะคุณหมอว่าเราเนี่ยมาประดับธงเหลืองที่ใจของเรากันไม่ดีกว่าเหรอคะครับเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีของพระธรรมใช่ไหมคะอ่าสีของธรรมะแทนที่จะเหลืองเฉพาะข้างนอกเนี่ยเรามาเหลืองข้างในกันด้วยดีไหมคะดีครับเนี่ยหละค่ะอยากจะชวนคุณหมอมาชักชวนเพื่อนของเราให้โหนกระแส ร, รักในหลวงในจิตวิ ญ, ญญาณกันเลย แล้วก็ทําไม่ต้องนานค่ะเอาแค่ชั่วอายุไขที่เราเหลืออยู่เท่านั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะครับชั่วอายุไขของเราที่สั้นนิดเดียวนะพี่ติค่ะก็ทําได้แค่ น, นี้ละค่ะชาติหน้าก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแต่เรามองดูยังก็มันนานจังไม่นา น, นะะแล้วท่แต่ว่าทํถาถ้าเราศึกษาคําสอนของท่านผู้รู้เนี่ยนั่นก็เดีว่าช่วงชีวิตของมนุษย์สั้นมากชีวิตนี้น้อยนะครับชีวิตนี้น้อยนะค่ะ ดุหนังว่าเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่เลยยแห้งไปเรื่อยนะค่ะทีนี้ผมก็ได้รับทราบข้อมูลถ่าศัพร์พนี้อยู่พอสมคว<ะ>รนะค่ะหลังจากที่แม้ว่าจะไม่ได้ดูภาพสดหรือว่าไม่ได้ดูเหตุการณ์ขณะปัจจุบันที่มีการเฉลิมฉลองในช่วงวันที่9ถึง11เนี่ยนะครับเพรา ะ, <ค>ะว่ามีงานปฏิบัติธรรมแต่กลับมาก็ยังมีภาพดีๆเหล่านั้นเนี่ยให้ได้เห็นโดยเฉพาะภาพ ของพระองค์ที่ออกมาหน้าพระสีหาบัญชร ท, <ะ>ที่มีผู้คนจํานวนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ได้เห็นภาพแล้วก็ยังมีความเพื่อมปิตินะสังเกตได้เลยว่าจิตของเนี่ยอิจิติเออผาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการมาวิเคราะห์ด้วยมีการพินิษพจิจารณาว่าเหตุอันใดนยถ้าเราจะพูดในแง่ของการเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมก็เห็นได้ว่า ในส่วนของพระองค์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ว่าได้คือการที่พระองค์ได้รับการเทิดทูลหรือว่าอะไรครับความเคารพเทิดทูลมาแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นหลามมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยก็ด้วยการที่พระองค์เนี่ยทําเหตุไว้ถึงพร้อมนะครับทําความดีทําการช่วยเหลือบําบัด ทุกบำรุงสุขให้กับประชารชนจะเรียกว่าในทุกๆมิตินะครับในทุกๆมิติโดยเฉพาะผู้ที่ตกทุกได้ยากหรือแม้แต่ผู้ที่ปกติอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการสั่งสมมาเรียกว่ะยะยวายาวนานพอสมควรนะโดยเฉพาะตลอดช่วง60ปีที่ได้ครองราชนั่นะนี่คือการทำที่เหตุนะครับฉันั้นผลที่ปรากฏก็ปรากฏเรื่อยๆมาแต่ณวันนี้เนี่ย ในฐานะที่สมมุติขึ้นมาเป็นวันครบรอบฉลอง60ปีก็<น>มีเหมือนกันประกาศให้เห็นกันชัดๆนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีผลอย่างไรประชาชนาผู้ได้รับผลดีนั้นก็ออกมาแซ่ซ้อง ส, สรรเสริญแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีจงรักภักดีต่อพระองค์ฉะนั้นผมก็มองว่านี่เป็นการทำที่เหตุ เป็นเรื่องของเหตุและก็ผลเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีก็ดีอย่างนี้ครับแต่ก็ต้องข อ, อย้านะคะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานมาตลอดหกสิบปีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ผลสาเร็จในทันทีและก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกเรื่องนะคะครพระองค์ท่านก็จะต้องทรงอดทนเป็นอย่างยิ่งทั้งคิดทั้งรมทั้ง ประสบความล้มเหลวมาก็มากมายอ่ ะ, ค, ะค่ะแต่พระองค์ท่านก็ทําอย่างไม่หยุดนะคะครับนะคะทรงทําอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งชนะใจปวงชนชาวไทยเราอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้แล ะ, ค, ะค่ะก็ต้องเรียกว่าเหมือนครับนิทานเรื่องพระมหาสนุกนะครับค่ะทําไว้ก่อนนะทำไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรค่ ะ, ะทําเพราะมันถึงความดีทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือทําโดยที่ไม่ได้คาดหวังผล ไม่ทราบว่าคุณหมอได้ฟังพระราชาดำรัสตอนหนึ่งไหมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่าหน้าที่ในการทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินอะไรประมาณเนี้ยนะคะครับไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะต้องทําจะต้องร่วมกันทํานะคะครับได้ฟังประโยชน์นี้ของพระองค์ท่านแล้วมีความสุกว่าอย่าให้คนที่บอกว่ารักในหลวงเนี่ยจำำําคํานี้น้อมกล้าวใส่ไว้ในใจของเราเลยนะคะครับว่า อย่าปล่อยให้พระองค์ท่านทรงงานเหน็ดเหนื่อยแต่เพียงผู้เดียวนะค ะ, คะเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันที่จะสร้างสังคมไทยให้ดีงามยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้ในวันต่อไปก็คือในส่วนขององค์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ได้ที่จะทำกิจของพระองค์อย่างถึงพร้อมค่ะในฐานะที่เป็นองค์พระมหากษัตริย์นะครับท่านพรงเกิดมาในเรียกว่าในวรณะสูงชาติพรงท่านทํากิจของท่านเรียกว่าถึงพร้อม ทีนี้หน้าที่ของเราประสงฆ์นิกกรนะนั่นแหะค่ะนะเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยได้ถึงพร้อมหรือยังตรงนี้แหละค่ะทหน้าที่ของเราประสงนิรกรเนี่ยในเมื่อท่านผู้นําของเราเนี่ยได้ทําความดีนะให้เกื้อกูลให้บ้านเมืองเกิดความสุขความสงบคะนะเราประสงนิรกรเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านหน้าที่ของประสงฆนิรกรอันหนึ่งก็คือการตอบแทนบุญคุณหรือสิ่งที่เรียกว่า กตัญญูกะตะเวทีใช่ไหค่ะเราจะกะตัญญูกตตะเวทีอย่างไรตอนนี้เรารู้ล่ะเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีบุญคุณต่อพวกเรามีบุญคุณต่อประเทศชาติอย่างล้นพ้นนี่เขาเรียกว่ามีความกตัญญูคือรู้คุณท่านค่ะที่เหลือก็คือต้องลงมือทํานะที่สิเนะใช่กตตะเวทีน ะ, น ค, ะคือการลงมือทําหรือว่าทําให้เกิดผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะเราจะรักในหลวงยังไงดีคะที่จะให้ รักแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ถวายแด่พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงชื่นใจอ่นะคะครับจะยังเลดีคะขอคําแนะนําคุณหมอหน่อยผมมีความเข้าใจอย่างนี้ครับค่ะพนะ้คนเราเนี่ยจะรู้บุญคุณของสิ่งที่มีหรือว่าสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับเราอย่างแท้จริงเนี่ย ค, คนคนนั้นเนี่ยต้องเห็นก่อนว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่า เราซาบซึ้งกับความที่พระองค์ทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความร่มเย็ยนเป็นสุขหรือเปล่าเราใช้โอกาสในขณะที่บ้านเมืองมีความร่มเย็ยนเป็นสุขนะไม่อาทะคัดขัดสนไม่มีสงครามกลางเมืองนะไม่ข้าวยากหมาแพงต้องหาเช้ากินขําไม่มีการปล้นสะดมกันทาร้ายกันจนอดตาหลับขับตานอนนะโอกาสที่ดีงามอย่างนี้เนี่ย เราทราบซึ้งไม่ว่ามันมีคุณมีค่าต่อชีวิตของเราจริงหรือเปล่าค่ะท่านถ้าเราไม่ทราบซึ้งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีคุณมีค่าต่อชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ควรขวายที่จะตอบแทนบุญคุณอย่างจริงจังค่ะทีนี้การตอบแทนที่เราจะทราบซึ้งว่าสิ่งที่พระองค์ให้โอกาสกับพวกเราที่มีความร่วมเย็ยนเป็นสุขเนี่ยเราเอาความร่วมเย็ยนเป็นสุขอันนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรถ้าเรานอนเสพสุขเฉยๆผมว่ามันเป็นของไร้ค่าไปเลยเกรงจะอย่างนั้นไหมคะค่ะ นี้เราถ้าเราเอาความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นปกติสุขในปัจจุบันนี้ความสะดวกสบายความไม่วุ่นวายเนี่ยเอาความที่เป็นอยู่อันนี้เนี่ยไปทำในสิ่งที่มีค่าสูงสุด ข, ข, ของชีวิตค่ะเนี่ ย, ค, <ะ S 1> ยคือสิ่งที่เราต้องทากันและเราจะเข้าใจเลยว่าชีวิตที่มันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่จะให้โอกาสเราเนี่ยไปค้นหาความจริงของชีวิตเพราะผมเชื่อว่างานที่ดีที่สุด แล้ว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้ความหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมค่ะนีคือการปฏิบัติธนะรรมก่อนนะฮะ<อ>การทําความดีเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลจากการที่เราได้รู้จักตัวเราเองอเข้าใจตัวเราเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมเข้าใจคนอื่นทําดีที่ตัวเองนะทำบุญที่ตัวเองแล้วบุญนี้ความดีอันนี้เนี่ยจะปรากฏออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้นค่ะดังนั้นตัวธรรมะนะฮเรืองตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ย จึนเป็นงานของชีวิตเป็นงานที่จะเป็นการตอบแทนบุญคุณของในหลวงอย่างยั่งยืนเป็นการโหนกระแสหรือ ว, ว่าเป็นการเกาะติดกระแสตลอดชีวิตนะครับพี่ชินีนะเหมือนกับคุณหมอกำลังจะบอกว่าถ้าเรารักในหลวงจริงแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนั้นขอให้เริ่มต้นทบทวนดูเรื่องของการปฏิบัติธรรมก่อน ก็รเราควรจะฝึกฝนจิตใจของเราพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะแหมรู้สึกเบื่อน ห, นหน้าหนีนะคะเอาใช้คําว่าฝึกฝนจิตใจของเราพอจะใช้ได้ไหมครคุณหมอก็ได้ครับนะคะเป็นภาษาที่หลบหลีกได้นะคะเรามาฝึกฝนจิตใจของเราเนี่ยให้เราเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็เป็นคนดีอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นคนดีอย่างยั่งยืนเนี่ยนอกจากจะมีผลในปัจจุบันขณะในขณะที่เราดําเนินชีวิตไป กว่าจะเรียกว่าแตกดับไปเนี น, นะครับคก็ยังโหนต่อไปชาติหน้าก็ยังได้นะะคือได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่มีใครการันตีนะคะแต่ถือว่าเป็นสร้างอุปนิสัยเป็นปัจจัยส่งไปแล้วกันนะคะาะว่าถ้าเราเห็นเลย ว, ว่าชีวิตของเราไี่มีค่าคถ้าเราเกิดไปในประเทศอื่นนะฮะที่ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวอยู่เกิดสงครามกางเมืองคเราจะมีเวลาที่ไหนนอกไปภาวนาคใช่ไหม หแค่เวลาที่จะหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็แสนจะยากโอกาสดีๆอย่างนี้ค่ที่บ้านเมืองมีความสงบสุขอย่างนี้เราไปทำความดีนะเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญสติภาวนาเนี่ยพอเราทราบซึ้งว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นของมีค่าเป็นของดีเราก็จะขอบคุณกับคนที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่เกื้อกูล้วเหมาะสมนะให้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ย สงบสุขดีพอที่เราจะมีโอกาสไปนในการภาวนาอันนี้เป็นการตอบแทนด้วยว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตักเพทีในอีกนิติหนึ่งนะฮะที่มากกว่าการเป็นคนดีอีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยก็รู้อะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยแต่ถึงเวลามันก็อดไม่ได้นะ น, าานื่ออกไหมครับที่ศีนะเข้าใจค่ะเราะนั้นตัวไหนตัวใดกุศลธรรมอันใดที่จะช่วยเป็นการปิดกั้นป้องกันไม่ให้ ความเวลวร้ายนะเกิดขึ้นไปในชีวิตของเราซึ่งก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ความเวลวร้ายเนี่ยออกไปสู่สังคมโลกภายนอกก็ทําให้เป็นการตอบแทนบุญคุณของในหลวงท่านเรียก ว, ว่ามีคุณมีค่าจริงๆค่ะนะมีคุณมีค่าจริงๆริเพราะว่าเป็นการบูชาทดแทนบุญคุณของท่านอย่างเป็นการบูชาสูงสุดเลยก็ว่าไนดะ้ ในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยรักในหลวงมากมหาเสศรเกินเนี่ยก็จะไปบูชาด้วยของที่หยับหยาบทำกันนะคะค บ, บูชากันด้วยของที่ละเอียดสูงสุดกันไปเลยก็คือการปฏิบัติบูบชาครับด้วยกันทำใจเราให้เป็นสีเหลือง ค, ค, คือน้อมนำกายและใจของเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะรนะคะศึกษาธรรมฝึกฝนจิตใจตนให้เราเป็นคนดีอย่างยั่งยืนซึ่งเชื่อแน่ได้เลยว่าพระองค์ท่านจะต้อง ยินดียิ่งกว่าการตอบแทนพระองค์ท่านด้วยด้วยวิธีอื่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนนะคะแต่กลัวว่าเพื่อนของเราจะลืมเลยค่ะกลัวแต่จะไปเห่อเสื้อสีเหลืองกับประดับธงทิวสีเหลืองส ะ, พะเพินนะคะครับแล้วจะไปลืมสาระอันเป็นแกนแท้ที่เราควรจะทั้งทําเพื่อตัวเราเองและทำเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านก็เลยอยากจะขอฝากสโลกแกน อะไรไว้สักนิดหนึ่งไหนจะเรกสโลแกนได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าคํากล่าวก็ได้นะค ะ, คะที่ใหญ่ให้เราทักทายถามทายกันเมื่อเราพบเจอกันว่าวันนี้คุณทําดีอะไรเพื่อถวายในหลวงแล้วหรื อ, อยังอ่าจะพอไหวไม่มคะเนี่ยแค่คิดว่าการทักทายกันก็เป็นการกระตุ้นเตือนกันหรือแม้แต่สีเหลืองนะคะระับพีะศรีนาเวลาเรามองไปทางไหน นะหรือว่ากําลังจะออกปากอหรือว่ากําลังจะผิดศีลผิดธรรมเมื่อไหร่คก็เห็นสีเหลืองก็นึกถึงเ จ, จา้าอยู่หัวของเราไอ้รถเป็นการกระทํานั้นไปนี่ก็เป็นการทําความดีแล้วนะครับพี่เสีนะยงนะยั้นสนุกนะคะาคุณหมอเมื่อวันที่เขามีพิธีการ ก, กันที่แถวสนามหลวงอะนะคะแล้วรถหลาก็ติดมากเลยแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยขับรถผ่านจุดที่รถกําลังติดมากๆแล้วมี อุบัติเหตุเล็กๆกันนะคะรถสองคันชนกันแบบนิดหน่อยอะคะ่ะล้วเห็นสองคนกนาลังมานั่งคุยกันแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่ใจตัวเองคิดยังไง้วยไหมคะ คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คิดบว่ารถชนกันวันนี้ยขณะที่กําลังมีพระราชพิธีเนี่ยทําไมเราไม่คิดซะว่าเออเราเลือกแล้วต่อกันถวายเป็นพระราชบูพ์ศรแต่ในหลวงดีไหมจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไปเลยไม่ต้องมาต่อรองตกลงรอประกานอะไรให้เสียเวลาติดขัดคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะยกเป็นประเด็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีปัญหาขัดแยง้งหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรเราคิดซะว่า ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงซ ะ, ะไม่เอาเรื่องเอ า, ลาเล่าเลิกลากันไปเสลีซะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เราเมื่อคนนั้นมีปัญญาพอสมควรนะพี่ชินอ้าวแล้วมีขายที่ไหนแล้วคะอรัปัญญานี่ไม่มีนะต้องเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองเนี่ยต้องมีโยนิสงมณสิการค่ะคือมีการพิพจารณาแตะ่ตรองสิ่งที่มันเกิดขึ้นะนะครับแล้วก็มณสิการไม่ได้ใจหรือว่าประทับรับไว้ในใจของเรา พอถึงเหตุการ์มีอะไรเหตุการ์เกิดขึ้นเนี่ยการมโนสิการะนั้นเรื่องการกระทำไมไว้ ใ, ใจโดยแยกคายเนี่ยก็จะผุดขึ้นมาตักเสือนเราจะเรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ก็แล้วแต่ตักเดือนเราให้ละชั่วการละชั่วนี่ก็เป็นการทำความดีตอบแทนไปด้วยในตัวในขณะเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วค่ะ อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องของเราเนี่ยมาเอ็กซเรย์ใจของตัวเราเองให้ถี่ถ้วนเลยนะคะ ว, ว่าเรายังมีอะไรที่บกพร่องมีอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามมีอะไรที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือแม้กระทั่งเข้าข่ายชั่วอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอยู่ในใจของเราหลงเหลืออยู่บ้างไห้แล้วค่อยๆ ค, คัดออกคัดออกคัดออกไปเรื่อยๆด้วยการฝึกฝนใจของเรานะคะ ให้ละความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงออกไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่ทําเนี่ยให้ตระหนัารู้ตรงนั้นเลยนะคะว่าเราทําสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวนะแต่เพื่อถวายเป็นพระราชกุูสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโหเยี่ยมจริงๆนะคะถ้าทําได้อย่างนี้รเราก็าจะเป็นการโหรกระแสรจริงๆก็คือคคว่าใช้ว า, า, าระอันนี้เนี่ยใช้บุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวใช้ ตัวอย่างที่เราเห็นได้จริงว่าคนที่ความความดีคนที่มีความตั้งใจจริงในการทาความดีเนี่ยมีอยู่เราพระองค์เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องเหนียวเป็นเครื่องเกาะของเรานะในการที่จะดึงเราสู่ที่สูงตามไปด้วยก็ได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ารักในหลวงแค่เพียงลมปากและการแต่งกายนะคะ เรารักที่จิตใจรักที่คุณงามความดีที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐสุดให้เราได้เห็นมาแล้วยาวนานถึงหกสิบปีนะค ะ, คะทําต่อไปเดินตามรอยเท้าพ่อของเราด้วยความอดทนอย่างมั่นคงนะคะเดินตามรอยท่านด้วยการกระทำนะครับค่ะขอให้ตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจที่เราจะมั่นคงในความดีงามสืบไปอ่ะคะ่ะ งานของชีวิตนี่เป็นงานที่สนุกสนานนะครับแต่ว่ากว่าจะมาสนุกสนานนี่ก็ต้องเหนื่อยยากมาก่อนงานของพระองค์ที่นําสู่สายตาของประชาราชนของโลกพระองคก็ผูงผ่านการเหนื่อยยากมาก่อนเช่นเดียวกันแต่ณวันนี้พระองค์เหมือนกับคล้ายๆว่าได้มาเก็บดอกเก็บผละทั้งๆที่พระองค์ก็ไม่ได้ตั้งหวังว่าจะให้เป็นอย่างนี้ดังั้น งานชีวิตก็เหมือนกันในเบื้องต้นนี่มันก็ต้องเหนื่อยยากไปก่อนค่ะแต่ถ้าอดทนทําขยันทํามีจิตสักไฟในการทําอย่างต่อเนื่องงานของชีวิตของเราเนี่ยครับก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับจริงะตรงนี้ก็ทั้งเป็นกําลังใจให้แก่เพื่อนของเรานะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องทําไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสักปานใดทำใํำเลยทีค่ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีงานทั้งแก่ตัวเราเองแล้วก็แก่ผู้อื่นที่อยู่รายรอบตัวเรา สักวันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวผลอันงดงามเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนะคะ